ลำดับนั้นพระกะลาระคติยะลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านสารีบุตรบรรลือสีหานาตว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผมซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อน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 แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดทั้งคืนและถึงแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสองคืนสองวันตลอดสามคืนสามวันตลอดสี่คืนสี่วันตลอดห้าคืนห้าวันตลอดหกคืนหกวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่น ด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันภิกษุก็เพราะธรรมาธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแล้วแม้จะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันสารีบุตร ก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นตลอดทั้งคืนและถึงแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดทั้งคืนทั้งวัน สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดสองคืนสองวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดสองคืนสองวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดสามคืนสมวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดสามคืนสามวัน แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดสี่คืนสี่วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดสี่คืนสี่วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดห้าคืนห้าวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดห้าคืนห้าวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดหคืนหวัน สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอด6คืน6วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันกาลารสูตรที่สองจบ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 ยานาวัตถุ44อะไรบ้างคือ 1. ความรู้ในชะาและมรณะ 2. ความรู้ในความเกิดแห่งชะาและมรณะ 3. ความรู้ในความดับแห่งชะาและมรณะ 4. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชะาและมรณะ 5. ความรู้ในชาติ 6. ความรู้ในความเกิดแห่งชาติ 7. ความรู้ในความดับแห่งชาติ 8. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ 9. ความรู้ในภพบ 10. ความรู้ในความเกิดแห่งภพบ 11. ความรู้ในความดับแห่งภพบ 12. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งภพบ 13. ความรู้ในอุปาทาน 14. ความรู้ในความเกิดแห่งอุปาทาน 15. ความรู้ในความดับแห่งอุปาทาน 16. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน 17. ความรู้ในตันหา 18. ความรู้ในความกเกิดแห่งตันหา 19. ความรู้ในความดับแห่งตันหา20สิ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 29ความรู้ในสลายตณะ30ถึง32 33ความรู้ในนามรูป34ถึง36 37ความรู้ในวิญญาณ38ถึง40 41ความรู้ในสังขารทั้งหลาย42ความรู้ในความเกิดแห่งสังขาร43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 ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่าคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความทําลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรรตยูการทําการละ ความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ น, น, นี้เรียกว่ามรณะชาราและมรณะดังพรนานามาชนีนี้เรียกว่าชาราและมรณะเพราะชาติเกิดชาาและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชาราและมรณะจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นคือ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 น้ชื่อว่าธรรมยานของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาไนยยในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณะหรือพรามในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึง่งก็ได้รู้ชราและมรณะได้รู้ความเกิดแห่งชราและมรณะ ได้รู้ความดับแห่งชราและมรณะได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะหรือพรามในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็จะรู้ชาาและมรณะจะรู้ความเกิดแห่งชราและมรณะจะรู้ความดับชาาและมรณะจะรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอันวยายานของอริยสาวกนั้นยานสองประการนี้คือหนึ่งธรรมยาน 2. อ, อันวยายานของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่องอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง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 เวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไรสังขารมีสามประการนี้คือ 1. กายสังขารสองวจีสังขารสจิตตะสังขาร น, นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายเพราะอาวิชาเกิดสังขารจึงเกิด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 เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอัญวยายานของอริยสาวกนั้นภิกษุทั้งหลายยานสองประการนี้คือ 1. ธรรมยาน 2. อัญวยายานของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่องอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง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 ญาณวัตยยวถุสูตรว่าด้วยญาณวัตถุสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงยาณวัตถุเจแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าญาณวัตถุเจิเจ็ด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 ละถึง 9-14 15. ความรู้ว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมี 16- 21 22ความรู้ว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมี 23- 28 29ความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมี 30- มสห 36ความรู้ว่าเพราะพรรษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี37ถึง42 43ความรู้ว่าเพราะสลายตระนเป็นปัจจัยพัรษะจึงมี44ถึง49่สหสความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตระจึงมี51ถึงห้าสห้าเจ็ด ความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี58ถึง63 64ความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี65ถึง70 71ความรู้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี72ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี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 ความรู้ว่าธรรมติติยานของอวิชชานั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายานวัตถุ77ทุติ ย, ยานวัตถุสูตรที่สี่จบ อวิชาปัจิยสูตรว่าด้วยอวิชาเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคโครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาาและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครภิกษุปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่น ชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคําทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับศริระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับศริระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคต ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมีชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่น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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีพบเป็นอย่างไรและพบนี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าพบเป็นอย่างไรและพบนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าพบเป็นอย่างอื่นและพบนี้เป็นของผู้อื่นคาทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับศรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมิทิฏิว่าชีวะกับศรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีละถึงเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี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 ปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พ ย, ยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี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 ชีวะกับเชริระเป็นคนละอย่างกันทิฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น่าสึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่า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 ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อวิชชาปัจจะสูตรที่หจบ 6. ทุติยอวิชชาปัจจะสูตรว่าด้วย อวิชาเป็นปัจจัยสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนีผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไร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 นตุมหาสูตรว่าด้วยกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวถีภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลายทั้งมิใช่ของผู้อื่นกายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับ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 เจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณะปัจใจเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณะปัจใจมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้ว ความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดมริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัย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 ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนเจตนาสูตรที่8จบ ทุติยเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขเกรงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งมั่นแล้ว จเจริญขึ้นแล้วความยังลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตระนัจึงมีเพราะสลายตระนเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจั ย, จ เ, เ, จจยเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้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 เพราะนามรูปดับสลายตระนจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนีทุติยเจตนาสูตรที่9จบสิบ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 นติจึงมีเมื่อนติมีคติพบในการเวียนมาจึงมีเมื่อคติพบในการเวียนมามีจุติและอุบัติจึงมีเมื่อจุติและอุบัติมีชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริ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 เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วนติจึงไม่มีเมื่อนติไม่มีคติพบในการเวียนมาจึงไม่มีเมื่อคติพบในการเวียนมาไม่มีจุติและอุบัติจึงไม่มีเมื่อจุติและอุบัติไม่มีชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต จ, จึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ มีได้ด้วยประการชนียตติยะเจตนาสูตรที่10จบกลาระคติยวักที่สจบ